นั่งตานสบายจริงๆ น, นันจบอกว่านอนตางสบายเดี๋ยทำกิจเนยุง่งจิตจะสมดุลเร็วมากี่ไม่ทันเลยนะีะตื่เแต่และ ง, งานร่างเข่าสบาย5่าทีจดินตัวตืนนอนสบายที ทางกําลังวันนี้เดินคนเข้ามานั่งรถทางสายเรือโจ๊กเล่นน้องเล่นลูนประกาศชื่อหลวงพ่อปัญญานั่งทุกข์กับหลวงพ่อพุทธาสสององค์หลวงพ่อ ประยัด น, นคะครับว่อเจอประทางแร้จะพูดถงสังคำประจำประจำก็คือเรื่องเรื่องสอบเรื่องเสอร์เรื่องสอนเราทุกวันทุกเดือนในวงจรที่เ ร, ราเรียนสอบห่ายถึงพระเนเซอร ใ น, นหนักเลยทั้งตัวจดท้ายก็สอนสอนก็ต้องดูด้วยว่าสอนนี่ก็สอนอยังไงสอนที่เป็นคำสอนของผู้เจ้าจริงหรือเอาแต่พู้เ่าสาวกไม่เอานะครับเริ่มเป็นอันนี้คือลักษณะทั้งเราพูดถึงท่านกันได้ถึงสามอย่างพูอย่างไง ก็บป็นรูปปัจจัยทางธรรถ้าใจต่อต้านกูเรื่องรื้สวนเรื่อสวอย่างมากเลยรูปปัจจัยเรื่องสอนท้งชีวิตของกันรูปปัจจัยธาตุเช่นเดียวกันบิษัททำด้วกันอันนี้คืออายุปัจจัยบังอายุย้อนกับ มางทีกั น, นังดังพวกเราต้องบอกวหาพวกเราจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสวดสวดได้ไหเราไปให้คำนิยามคำว่าสวด ใ, ในทางวิทยกรรมในทางวิชาการพูดง่าง่ๆาพูดด้วยคำว่าสวดเขาจะใช้กับเรื่องที่ ไม่มีเช่นเสด็จศพอย่างนี้เป็นต้นหรืองานที่เป็นอาคุศลอะลายลยก็แจ้นว่าสวดในทางแต่ต้องงานที่เป็นมงคลเขาเรียกมงคลว่ามงคลงานที่เป็นมงคลก็แจ้ ง, ง, งว่าเราจาริญเออทาานางเราก็จำไว้เวลาพระบนพระขึ้น น, นมาในบนไปสวดขึ้นบ้านใหม่โอ้ ยุ่งเลยนะเป็นแฉงก็ว่าเริญว่าสวดทั้นนี้เป็นคำ ร, รมวมทันงคือทั้งสองอย่างทั้งงมงคลแล้วก็อาวะงมงคลในความหมายแต่ว่าพอถึงธรรมจักรว่าสวดแต่ละสวดเขาด้วยตามด้วยพุทธมนต์จริงๆคำได้สวดอาจจะไม่ใช่พุทธมนต์ก็ได้ เกิดคำแต่งขึ้นมาข้างหลังพุทธมนต์คือมนต์ของพร ะ, ะุธเจ้าแต่ตรงๆแต่บางอย่างมันแต่งเรื่องในหลังก็เป็นที่ตกเกียงของวิชาการยเกินเท่ า, าไรเลยว่าไม่ใช่พุทธวจนะนี่คือเป็นอีมันแมันก็มางย่างมันก็เรื่องจริงแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของมงคลถูกแมฮมันเกิดมาแล้วร้อยกว่าปีกระดาม เป็นปรเรื่องของภาษาไม่ว่าภาษาคนกับภาษาธรรมมันมันไม่เหมือนกันดั้นเรากําลังจะ น, นําสู่คําว่าธรรมจักรจริงธรรมจักเป็นที่เรารู้รกันเป็นคําสอนเป็นศ า, าสนาศาสนาที่สอนเป็นกันแรกแต่ไม่ใช่เป็นกันารทาง เป็นการแรกมาเพราะว่าท่านพูดในเรื่องตรง น, นี้คือรูปนามคันห้างแล้วก็บอกโทษบอกคุณคุณของค้าโทษของคณะไม่ควรจะไปยุ่งอะไรกับมันอรางนี้โดยสภาวะหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีและผู้ตอนง่้คกอหลังจต่ต่อเซเลยผู้จางรามีปัญากัน ส5 3สิบห้าพันสารท่านบนสามมันดนับอายุพราะท่านบทเมื่ออายุยี่สิบ้าแล้วก็บรรลุหนึ่งสามสิบห้า่นับไปด้านมาแปดสิบก็เป็นสี่สิบห้าพันสามสี่สิบาปีเป็นภาษาเราสี่สิบาปีก็พูดถึงทํามะจากหมายถึงเนื้อหาเป็นครั้งแรกแล้วครั้งเดียว ตลอดสีหนาภรสาไม่พูดถึงแต่ท่านจะเอาธรรมจากนัะไปขยายกว่าเช่นอนัตตะพขพูดถึงรูปก็คือกันห้าอุตารังการอย่างละเอียดที่จะเี็นจะเป็นการละทองปล่อยวางเป็นที่สุดตอนน่อ้นก็เกี่ยวที่เกี่ยวกับรูปคือกันห้ามันมีอะไรที่เป็นผลกระทบผลเสียของรูป เพื่อดูตาปริญาเยสูสว่าร่างกายมันมันร้อนได้อย่างไรทําให้ใจเราร้อนได้อย่างไรประมาณภาษาเราง่ายๆอย่างนี้เพราะนั้นธรรมจักรจึงเป็นกันแรงส่วนกันพื้นตัวร่วงที่บ่อยที่สุดคืออนุพื้นของเริ่มต้นจากทางซึ่งสวรรค์ปราที่สวรรค์โทษของการแล้วก็บอกอนุสองโดยคูณของการภาษาเราง่ายกันออกบวช ภาษาทางวิชาการเราเห็นในธรรมะที่เราบวชบทชธรรมะในธรรมะเต่ภาษาเราง่ายๆเพื่อเข้าใจคือ ก, การดํำริออกจากกาันก็คือกามาคุณนั่นแหละับคุนก็ยังพึ่งพารูนั่นเองเป็นธรามะนี่เป็นเรื่องที่ท่านบวชเยอะที่สุดตลอดสี่สิบห้าวันสาอันนี้ก็อยากให้พวกเราทราบแต่ว่าพวกเราคนนั้นพิจารณา เ, เรื่องฐางที่เราสอนกันทุกวันนี้ เอาทานเป็นหลักเลยศินภาวนาในแคบน้อยมากๆเลยโดยภาพรวมก็จะเห็นภาวนารื่องทานนี่แหละแห็นนิดห น, น, น่อยก็ไปโว ง, ไ ป, งไปขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้น ช, นชั้น น, น้นภาวนาดึงทางแา่โอ้โหแค่นกบินไปโฉบมาตั้งใจจะเอาโฉบเยอแต่ปรากฏว่าเข า, อ ย, ายอมหยาดไปข้างนอกเกิดไปบนสวรรค์ โอ้โหอะไรอง้ขนาดมืนต้องไปบทกันแล้วไปทอนยาดีกว่า เ, เราเออแต่ว่ามันเพื่อเป็นจูงใจนั้นหลวงพอ่อท่งพูดอยู่เสมอว่าระหว่างสัญญากับปัญญาต้องแยกกันให้ออกใัน้นด้ไม่งั้นเราไปแยกแค่สัญญาอืูความจาได้เพราะ น, น, น, นั้นยังมีหลักสูตรที่ให้พวกเราได้เรียนรู้สามเรื่อง เรื่องหนเร็่ปริยัติทาจะต้องมีความรู้ไปภาษาเรื่อปฏิบัติถ้า ป, ปฏิบัติก็ความรู้ที่เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์เลยสารปฏิเวทต้องได้รับผลด้วยดังนั้นก็เป็นภาษาเราง่ายๆปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าพูดเป็นภาษาไทยไท่เราเป็นภาษาภาษาคนไม่ใช่ภาษาทาง ปริยัติคือความจังปฏิบัติคือความจริงคือเราต้องเผชิญหน้กับความจริงเพื่อจจับปฏิบัติคือความจริงปฏิเรศคือความแจ้งมันแจ้งกระจายรู้เรื่องหมดรู้อะไรรู้กายรู้รู้รู้นามให้คาว่าแจ้งไม่จึงเป็นที cera, ่มาเป็นที่มาของคาว่าทำมาจากทำมาจากประวัติศาสต ธร ร, กกรรธรรมะจักกะปวัตนะสูตเรื่องในฝั่งธรรมะคือสภาวะที่เป็นความจริงทั้งหมดทั้งมวลเดียรธรรมะภูมิใจควรใช้ว่าสภาวะธรรมอี่นว่าธรรมทั้งหลายคําว่าธรรมทั้งหลายนี่ก็คือสเพสาตาหรือสัตว์ทั้งหลายเขาว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นบุคคลเป็นต้น คนในโลกมีปัจจุบันประมาณแปดพันล้านคนโดยประมาณไม่เกี่ยวกับเชื้อสายขอนพระพุพทธเจ้าใช้คำว่าไม่ไม่รู้จะเรียกว่าคนไม่รู้จะเรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าธรรมามาจะทำทั้งหลายแต่ธรรมที่ท่านใช้ในทุกเรื่องแม้จะพูดกับท่านสานัตบุโภตมุคละแลย แ, แม้แต่ท่านอัญญากรณ์ทญานเข้าใจก็ตรงกับพระพุธเจ้า ก็คือชันรักใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าสิ่งขอ่อไม่ได้หมายถึงบุคคล่ะรวมทั้งหมดเช่นแปดพันล้านคนเนี่ยรวมทั้งแปดพล้านคนไม่ได้แปลว่าคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งสัตวรือสาตาทําทั้งหมดใช้คําอย่างนี้ของสิ่งที่อัญญากนทัญญาเข้าใจคือ ยังคิดดีสมุดเยอะแต่บางสับอันตังโรธาแต่บางสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหมายก็ว่าทั้งเจ็ดสันล้านคนเกิดการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงว่าทั้งเจ็ดสันล้านคนมีความดับเป็นธรรมดาไม่เข้าใจกั้งแหวกเรียได้ดูตามเห็นทำคือเห็นอันนี้เห็นแล้วทำไมาไม่เข้าใจในสิ่งองนันนี้แต่ยังไม่รู้ รู้ก็ไปเห็นไม่เหมือนกันรู้ก็เห็นไม่เหมือนกันหลังจากนั้นตื่นได้ผลค่อยสองตื่นเห็นเห็นเน่มุ่งไปได้เห็นด้วยญาณจะเรียกว่าญาณลักษณะก็เห็นด้วยญาณไต่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังอันนั้นถือเป็นกานที่สองตัวการแรกแค่นี้ก็ถือว่าได้เห็นเห็นสภาวะธรรมนั่นเอเห็นทั้งหมดต้องปวงเสิยงใดเสียงหนึ่งไม่ได้แปเอาเสิ่งของ ไม่ได้แปลว่าถูกไม่ได้แปลคนแปลวสอบนี่คือควาหมายนะธรรมะนี่คือสภาวะว่าชินใจจะมีจะต้งทะธรรมะจั ก, กะสมเหมือนสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นล้อหมุนเราธรรมจักกะประัตนะให้เป็นไปควหมายถ้าเราเมนมกไิดออกเ้าก็คดถึงล้อเราก็จะให้เรานึกถึงกุเอนนึกถึงรถรถลาระบบเ่า เป็นภาษาเราก็ให้ไปรูปทำง่ายเพราะเราเราเราสวดนี้มานานแล้วก็ใช้เศกเพื่อตะนัก่สวดเองพเรเจ้าเสกตระกพราระนั้นเราก็าพูดถึงสอนกันคำสอนได้แมือพูดถึงเราเนี่ยถ้าเป็นเกลือนมันก็จะมีดุม ม, รร ม, มีกรมมีกลงมาดูคนสวยใหม่เข้าใจหรือเปล่า เราเคยนั่งเกวียนไหมต่อเนี่ยเคยเคยนั่งเกวียนเหมือนก็นั่งรถแหละก็นั่งรถเหมือนมาทุกของชาวปานใช้เกวียนไม่มีรถวันนี้ประกอบด้วยดุมประกอบด้วยกำเบสิ่งประกอบด้วยกงประกอบด้วยกรงรกำกงเกวยนในภาษาที่เป็นธรรมชาติการเป็นนี้ ทำไมต้องเกลียดต้องโกงกรรมเกลียนก็สิ่งนี้แหละทําให้หมุนสรบสนตั้งหลายคือสะเทือนสะท้านถ้าเกินไปทีนี้ถ้าเรายังเลื่อนเท้าไม่ออกปัจจุบันเลื่อนถึงรถรถมันไปได้ด้วยล้อแม้จะเปนเครื่องยนต์ไปจริงแต่มันต้งไปได้ด้วยล้อหลายคนบอาเราโม้ไปที่ล้อแล้วกันเราสังเกตไหมเวลารถวิ่ง เราจะเห็นสรรพสิ ing, ่งรอบตัวของเราดูเสมือนหนึ่งอวิ่งต่างเหมือนต้นไม้เหมือนทำไมวิ่งตามวิ่งเร็วเหมือนต้นไม้วิ่งแบบเป็นคนั่งรถบัสเราสับไฟเอเหมือนมันวิ่งตามเราเพราะรถมันวิ่งเร็วมันก็ผลิตตามมันก็วิ่งเร็วแต่รถเมื่อไรเราจึงเห็นความจริงเห็ นี่คือจิตนี่คือใจที่มันหมุนเราไปถ้าจิตเราหมุนไม่หยุดอยูน่นี่คือไม่นิ่งพูดง่ายๆลยู่ในนี้มันก็จะไม่เห็นสิ่ง น, นอยู่ในใจมันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงบอกว่าต้องมีสมาธิมันต้องนิ่งก่อนถึงจะเห็นเพราใจมันนิ่งเราเอาตั้งหมายมันไม่ได้นิ่งเพราะใจเรามวิ่งเองความคิด ข, ของเราวิ่งไปเอง มันก็มันถล่มไปอย่างนี้เออจึงเข้าใจ อ, อ๋อจึงไม่รู้นะแต่ ว, ว่าอะไรนี้มันเป็นสัตว์ข้อเรกที่บอก ว, กว่าสัตายางให้แล้วนาเรียว่าสัจตยางกิจยานคือ จ, าาจะต้องทํากต่ยางที่ทําแล้วถ้าหมดนี้ใช้กับอริยะสัจสีก็คือทุกสมุทัยนี้โดนนักซึ่งเป็นการี่สังทัณ ย, ยขนน์ขยายผลในอนัตติขยายผล ไม่เกี่ยวกับแรกแลกรแรกก็ได้แค่ได้แค่คนเดียวคือท่านคนทันยักห้าคนนั่งฟังแต่คนเดียวได้กรรมฐานจนสเร็จรูโสดานั่นเองก็ถึงวรรณะ ต, ตรัเนี่คาว่าถึงพรรณะตรังแต่ว่ามีคุณสมบัติวรรณะ ต, ตรัยก็คือคุณของคุณเจ้าณขณะกระแวมีปัจจัยมีพระสงฆ์นะคุณ เพราะนั้นพระอริยะ อ, อ, องค์เดียวก็ถือเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นพระครกองสี่อย่างพวกเราองค์เดียวก็ถือเป็นพระสงฆ์เพราะนั้นถวายทานคือพระอริยะเท่ากับถวายพระเป็นหลายหลายร้อยองค์พระอริยเจ้าพระส ม, มุทรเระนั้นเขามันไ่เปลนเป็นพระแล้วก็แปลว่าท่านยากรตรงนี้สําเร็จก็คือเป็นเป็นประจักษ์พยานแปลว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วคือประจักษ์พยาน ปรัชนาใจตัวคบเพราะฉะนั้นอีกคือคนที่ตามท่านมามาได้ดูตาอยอทํางคำคือสุดาปันเดบแย่ข้าถึงพระัชนาใจมีคุณสมบัติเป็นอุบาสกถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของอุบาสิกาคือผู้เข้าไปนั่งใรรรกลรร้ปรัชนาใจกองไมยอุปตะส ก, กะเข า, ข า, ขาเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้แล้วเราต้องเห็น ถามพวกเราทุกวันเนี่ยนั่งใต้ขนาดนั้นเราเห็นไหมยังเห็นสิ่งที่ใกล้ๆหรือยังถ้ายังไม่เห็นก็ที่ไหนอาจารย์บอกสิ่งจะไปที่ต้อศึกษาเรียนรู้คืออวิยะสิแปลว่าจริงเห็นจริงประเสริฐจริงความมาณข้อแรกก็คือเนี่ยเป็นผลข้อมันก็คือทุกทุกจะต้องทันอย่างไรท่านก็บอกแค่สิ่งประเด็นใหญ่คือกำหนด แต่ความเเพ้แจงของเราคือไมอยากให้มีละเราเราเข้าใจผิดพอไม่ทําตามผู้เจ้าทุกการทนันให้กําหนดอสมุดไทยทันให้ล้างตัวสุภะไทยตัวล้างแต่เราจะเป็นทุกอยากให้มันอยู่ทุกยกมืออะไรล้างทุกอยากได้แต่ความสุขเปิดพระให้พรเหมือนกันขอให้ไม่แก่ความสุขความเจริญพระก็โกเป็นเนาะ โอ้ข้าเจ้าก็ะไรขอให้แ ม, ม, ม่เขาสุขสบาเจริญเออแม่มาฟังพูดถึงเจ้าเลยเออพูดเจ้าหลุดความทุกข์เนี่ยมันไม่เห็นเลนมันไม่ให้และอ้อข้อที่ 2, สองนี่ก็สมุทยัยคือตัณหาพูดยังไงเแล้วมันคือตัณหาตัวนี้จะต้องละจะต้องลดหรือเลิกเลยค่อยเป็นค่ไ ป, ไปตัวนี้ต่อตัวที่สามนี่คือ ตัวที่จะต้องทำให้มันดับคือเกิดแล้วมันร้มันดับเหมือนไฟจุดไฟเสร็จมันจะเราจะต้องดับไฟได้ถึงแม้มันโดยดับโดยไม่สิ้นเชิงแต่ใหดับกองฟืนกองไฟกองเพื่อไม่ให้มันร้อนประมาณเฉพาะจุดไฟเผาอยู่นี่ดีคอนิพันนิโรธประมาณทุกสวรรค์นี้รธมาร์กวิธีการมันจะต้องทำยังไงตอบครบเลยเหรอปริญาถ้าพูดเป็นภาษาของเรา เาราะ น, นเ้ข้าแรกทุกนี่ต้องบอกว่าให้เราเข้าใจทุกทุกคนให้เขาแต่รู้เขาไรูว่าเป็นความจริงเรื่อเป็นสัจจะทุกนี่ล้วเป็นสัจจะความจริงความจริงสมุทยัยอิโรดมักตัวมัดเช็ดเทือนเลยว่าตัวมักไม่ต้องจะทำให้แจ้งใช้คาว่าสัจจะ คือทาให้แจ้งแจ้งวัชชิตัตวมักเนี่ยกจะภาวนาแปลว่าทําให้เจริญก็แปลว่าทําให้จริงเพราะนั้นริโรดเนี่ยคือทาให้แจ้งและเกิดปัญญาคนงานมักคือวิธีการเนี่ยทำให้จริ ง, นนร ท, งญญทําทให้จริงแปลว่ามักคืออะไรภาษาเราง่ายคือสิ่งวิธีปัญญาเริ่มต้นจากกําจัด จะเป็นสมาธิผิดในมรรคในงแปดที่เรียกสัมมาทิฏฐิถ้ายังเข้าไปผิดอยู่สำคัญผงเช่นคือใจเรื่นพทุกว่าจะต้องไม่ให้มันหมุไม่อยากมันหมุีม่คือการเข้าใจผิดเนาะท่านบอกต้องเป็นสัมมาที่มีกรรมศี้ต้องให้มันท่านข้อข้อข้อสามในเกิดรางให้มันแจ้งข้อข้อที่สื่ทําให้จริงข้อแรกคือสื่อทวันเรามีสื่อจริงไหม สิห้าสิแบแปดสิบอะไรสิบถ้ามีครบไหมต่อเนื่องไหมนีมม่คำว่าจริงก็เราทําให้จริงไงคือมีบ้างไม่มีบ้างรักษาบ้างไม่รักษาบ้างแล้วมันจะไปได้ผลยังไงพราะเราไม่ทําจริงนี่พูดยาถ้าเป็นตอรษาเรานะเราจะไปโทษเราปฏิบัติมาห้าปีสิบปีทําไมไม่ได้ผลเอ้าก็คําที่เดินไงสิ่งเราทําจริงไหมเพราะเปงความจริงนะ สมาธิมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราไหมถ้าเกิดแล้วผลของมันเป็นยังไงปัญญาเอาแยกออกไหมว่าปัญญากับสัญญาเราไปจํามาสัญญาคือคนที่ความรู้ ค, ความ ค, ความจำดีเราบอกเออปัญญามันมีแตนะ่จริงๆมันเป็นสัญญามันไม่ใช่ปัญญาแล้วความหมายนี่คือพูดแค่ออบอกอย่างนี้ที่สุดที่เราไม่ทําให้มันเป็นจริงมันเกิด มันก็เป็นสุดท้ายมันก็หลอกเหมือนเรานั่งเกือร์นั่งรถเห็นไหมเราก็จะใจรถวิ่งไปเหมือนต้นไม้เสาไฟวิ่งตามเราเพราะสมาธิตัวที่สองเราไม่มีถ้ามันหยุดคือรถหยุดเมดดื่อไใ่จิตเราหยุดเมดดื่อไใดเป็นสมาธิงโ่เราจะรู้ความจริงจะได้บอกความจริงเพาะใจทุกวันเราเราไม่แน่ใจเราไม่หยุดคือใจไม่มีสมาธิอาพุธงา่ายจังตรงนี้ หรือทัไมมีแต่มันยังไม่พอมีน้อยไม่เรเสมอวันนี้ทาได้พวกนี้ทำ ไ, ได้อันนี้เินตันอันนี้ก็อยางใช้ไม่ได้ถตว่าดูนี่เิดมันยักใช้เพราะนั้นทําความจริงเนี่ยค่นเสี่ยงกดว่านี่คือวิถีคือหนทางวิติการผู้ชีสอนเราสอนทุกอย่างละเอียดอันนี้คื อ, คอากาอนแรกเพราะนั้นท่านอญญาากด่นยเข้าใจอ่อ ผู้เจ้าปรบมาว่าจริงได้สิ่งหนี้มันก็เกิขึ้นเป็นธรรมนองเป็นสภาวะธรรมนองเองเขาว่าสภาวะธรรมเป็นสภาวะของจิตมันทั้งก็ัวแยกขั้นออกเรื่องรูปเรื่องนามตัวรู้สอบว่ารูปเวทนาจิตยานการยืนยันมันเป็นศุกร์แล้เป็นทุกข์แต่เขาแจกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ผู้เจ้าข่ามันเป็คนยึดถือมันยึดถือเป็นคนยึดถือมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่ดีมันไม่เที่ยงอยู่เป็นอะไรเป็อนัตตามันไม่มีตัวมันมีตน สามว่ามีตัวมีตัวหมายถึงอย่างไรเช่นถ้าว่าหัวนี่ะถ้าเป็นคนเราชี้ดูที่ปุตตไหนเป็นหัวเป็นภาษาเราถ้าเป็นสัญญาเนี่ยเออจำบวนั้นก็เรียกสัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาชี้ตรงไหนมันเป็นหัวชี้ตรงหนังมันก็เป็นหนังชี้ตรงผมมันก็เป็นผมชี้ตรงตาเป็นตาชี้จมูกก็จมูกที่เป็นฟันก็ปันนี่มันคือกระดูกนั่นแหละ ฝันมันเป็นกระดูกเราจะบอกเราม็นเคยเห็นกระดูกเราเลยไม่ใช่นะเราเห็นทุกวันกระดูกอะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกระดูกฟันก็คือกระดูกเพราะนั้นที่เราเห็นเราเห็นทุกอย่างแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเราเห็นด้วยสัญญาที่เจต่มันก็เข้าไม่ถึงแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเข้าใจไงเออตัวนี้คืออะไรอนัตตะไม่แต่ว่าไม่ได้เดี่ยนะไม่มีตัวไม่มีตน เพราะไปยึดว่าหนี้งูนี้ตางูผมผลนี่แล้วคือจิตมันระยึดโอสะนี้เราเรียกวอุปาห์พอยึดศีลสีตามมาเอาวางราคะโทสะมหะตามมาเกิดความรักใคร่พอใจเกิดคตโทสะมหะเกิดควา ม, ามหาามลงตามมาเลยเป็นทัวเป็นขบวนเลยจะเป็นข้อกันที่สามเพื่อให้ย้ำชัดเจะ จึงบอกเมื่อกี้เราบอกว่าธรรมะอย่าบูชาแสดงครั้งเดียวที่เหลือเป็นการขยายผลขยายกันที่สามอ๋อที่เป็นอย่างนีก็เพราะวันนี้คะมันราคาตัวสัอันนี้มันคือไฟนะเ่อๆกันต่อที่ใช้คําว่าไฟเพราะว่าคนเหล่านั้นบูชาไฟเราหยิบเอาไฟขึ้นมาหเห็นไหมพวกอยของเราไม่เหมือนมาดานใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน พูดจางเราไม่ทำกระดานถ้าไปพูดคนอื่นเขาเขาไม่สนใจพเพราะเขารู้มีความรู้เรื่องไฟทำไงไฟไเงี้ยดับไปใช้ไฟนั่นแหละแ้วถ้าบอกไฟทําชาติทำไมเกิดที่ไหนไฟที่นั่นเกิดที่ไหนร้อนที่นั่นแต่จะไม่ให้มันร้อนต้องทำให้มันเย็นคือมันตรงกันข้ามมันจะเป็นตรงกันข้ามสมอใ น, นอย่างนี้อันนี้เบปอนต้นเานาะนี่คือแก่กันูสา ร, ร, า ร, รสือก็เป็นการสือ่ออธิบายนอกนั้น ท่าจะสอนในเรื่องของหรืออุปนิสัยของุคล น, นั้นๆที่เคยปฏิบัติทำในอดีตซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ในอดีตเคยปฏิบัติยังไงแลนน้วได้ผลคนทั่วไปรับมองไม่เห็นไปนั้นก่อนที่สว่างาท่านพิจารณ์ใครที่มีวัฒนาบารมีแก่ข้าพบรอยจังสอนได้แล้วก็พูดถึงนิสัยเกา่าๆเ ด, ดิมๆที่ความพรอ่องกับภาษาพวกนั่นไม่ได้ไป ไม่เห็นกนารแชดนี้ชาชิเดียวก่อนนะมีที่มาที่ไปร้วนแต่อุปถาอุปธรรมคำจุนอธิษฐานด้วยกันมาถึาได้เป็นแบบนี้ทั้งคนดีคนไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เป็นเครื่องสอนให้รู้ว่าจิตของคุณเรานะแม้แต่ของพุทธเจ้าแล้พระองค์ก็ตามพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่เคยเป็นสัตว์มีอะไรพระองค์เป็นคนที่น่ารักเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นอะไรก็บอกว่าเป็นแต่ช่างเคยเปจ้างบอกว่าช่างที่จะสัตว์เลี้ยงมูกฉเคยเป็นลิงก้วบอกว่าเป็นลิงเพราะนั้นจิตดวนี้ในแต่ละมเราเป็นใครก็ต้องระวังมีขนาดพู้เเจ้านะถเป็นวัสารับเพราะนั้นจิตดวงนี้เช่นเดียวกันมันก็จะเป็นสารพัดเอาแค่ผู้เชี่ปรือผ่านมาสองพันกว่าปีมาแล้วเราคิดดูดีว่าเราถ้าเรามีญาณคือความเห็นอันดับแรกคือรู้ รู้คือดวงตาขอางคำความหมายอายสองคือเห็นเห็นมันถึงเห็นด้วยญาณเดียวยญาณญาณทัศน์ น, นั้นก็เห็นด้วยญาณไม่เห็นดตาถ้าเรามีญาณคือญาณทัศน์มองไปย้อนหลังไปนะโอ้เราจะเกิดธรรมะ ส, สังเวทย้อนหลังกลับไปนะโอ้เรานัเป็นมาสารพะผู้หญิงที่ฉันเป้นมาหมดสัดเล็กสัดน้อยเต้นมาหมดอยุยืนอายุสันเต้นมาหมดมันจะเกิดธรรมะ ส, สังเวท แต่ว่าทางนี้กูเป็นปนินพิธาที่ตามมาันเะน่เพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีธรรมะสังเวชใตัวตนเราเขาถ้าซืนะ้อกันหาเนี่ยไมมีทางที่นิพิธาจะเกิดเพราะสิล่านีมันไม่เกิดก็เพราะอะไรกลับมาที่ เ, เรื่องข้อสื่อ ส, ส, สิ่งพิเศษมันยากเนี่ยเราทำไม่จริงผู้เจ้าเนี่ยต้องทำจริงนะพอที่สางทำให้มันจ้งจะเป็นธรรมชาติจักรที่จริงสัจจยามกตยา เมื่อรู้ว่ามันจริงแล้วเป็นส um, ัตว์ปอบกันคนจริงแล้วกับสัตว์ปอบจิตใจคือกิจก็คือแปลเรื่องที่ต้องทำคือเรื่องที่ต้องปฏิบัตินั่นแหลต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเส้นทุกข์ก็รู้เหตุของทุกข์รู้ที่มาของทุกข์รู้ที่ไปของทุกข์รู้การดับทุกข์เราเรียกว่ากิตจะพราะกิจที่เราจะต้องทําในเรื่องอันนี้กับมิฉะนี้นี่จิตใจก็ทำแล้วแกะยานทําแล้ว ข้อหนึ่งก็อสองคือสัจจะย่างก็เือกิจจะยางก็เลยทำแล้วชื่เรียกว่ากะตะมันแปลว่าทําแล้วคำสั่งเลแล้วจนเป็นข้อที่สี่คือมัจคือทําจริงแบบนี้ทําจริงได้ผลจริงเกิดประโยชน์จริงคือรู้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้คําว่าจึงข้อแรกที่เราพูดไปที่คือปริยัติมันไม่ใช่จริงแค่ตัวหนังสือเป็นเป็นความจริงที่เป็นสัจจะ หลังจากปริยัติแล้วเป็นองค์ประกอบเกิดจะอะไรเกิดจะ ป, ปฏิบัติที่ข้องปฏิบัติอ่ะจดจ่านั้นมันกานลายเป็นความจริงโดยไม่ต้องอดปริยัติหลายโดยไม่ต้องใส่ปริญญาเพราะนเป็นความจริงเรารู้ความจริงแล้วเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราเราในเราทุกคนชาวปะาทั้งหลายที่ยังไม่รู้ความจริงเราจะเรียกว่าเสกคือจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติเมื่อศึกษาเรียนรู้ จากการปฏิบัติแล้วลงมืปฏิบัติแล้วอยู่กับความจริงยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธความจริงที่มันมีอยู่ในตัวตนเราเขาเนี่แหละเาเรียกวยอมรับความจริงคือสัจจะแม้แต่ทุกข์เองกลายเป็นทุกข์ก็สัจทะรู้ความจริงแล้วสมุทยัยมันสมุหัสจักรตาตุสจักรสักสักจักรหมดเลยต่อท้ายที่สัจจะหมดเลยคือจริงรู้นะมันจริง คือรู้จริงไม่ใช่รู้หรหรอกันาดูด้วยสัญญารู้ด้วยปัญญามันจะแยก อ, ออกแค่ดเดียเหมือนล้วแยกกลางวันกลางคืนแต่ถ้ารู้เออกลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงอันนี้คือมันยังเป็นสัญญาอยู่เราเห็นเองเวลาออกกลางวันในกลางคืนอันชนัดเินเนี่ยลักษณะันเพราะฉะนั้นปัญญาก็ดีสัญญาก็ดี ใช่กับตัวเราตัวเราคือธาตุสี่ขั้นห้าประเั็นเมื่อพูดถึงธาตุเสี่ยงห้าพูดถึงรูปแ้่ก่อนเมื่อพูดถึงรูปเมื่อไหร่คนที่มีปัญญาท่านจะบอกท่าจะมองท่านจะคิดแล้วก็สรุปบังทีว่ารูปที่เราเรียกที่เราเข้าใจเนี่ยท่านจะเข้าใจกันเดีว่ามันคือดินมันคือน้ำมันคือไฟมันคือลมมันเกี่ยวกับเราไม้ม ไม่เกกี่ยวัอเลยเพราะมันคือดินมันคือน้ำมันอยู่ไปมันอยู่ลมนี่คําว่ารูปน้ําำกูเบตนาสเดียวกันอันนี้มันอาศัยมีอาศัยน้ํอาอาศัยเรวัตทั้งหมดแหละถ้าไม่มีถ้าไม่มีดินน้ํอารมลมมันอยู่เพีงอย่างนถ้าไม่มีลมมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ําอำก็ได้ทุกอย่างมันึงเป็นดินเป็นปน้ําเป็นไปเป็นลมอย่างนี้แม้แต่ต้นไม้เช่นเดียวกัน ลมมันก็คือออกซิเจนมันคืออากาศที่มึงหายใจนั่นเอ ง, เองมีเหมือนกันหมดไม่ใหญ่เลยมันมีถ้าเขา อ, อึมันอยู่ไม่ได้นั่นคือสภาพท่านผู้มีปัญญากับผู้มีสัญญาต่างกันอย่างเพราะนั้นถ้าข้อที่สี่ครบคือสึงสัมผิปัญญาถ้าเป็นจริงทำจึงจังต่อเรื่องถ้าก็จริงจริงเราเข้าใจอย่างนี้พ อ, อเข้าใจเสร็จแล้ว มันตัวมีตนอะเพราะมันมีดินเป็นดินเป็นน้าลงไปเป็นลมท่านคือก็แปลว่าวางนั่นคือวางประธานทั้งหมดอยู่นี่คือคำว่าวา ง, วางคือบอกดับความคิดความรู้สึกความจําที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งชีวิตเราอ๋อว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเกิดมามันก็วางอ๋อมันเป็นดินเป็นน้ําลงไปเป็นลมท่านคือในขณะที่เทียบกันเสุดท้ายมันคือดินน้ำไปลม ที่เหลือกืเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้อาศัยเมื่อดีน้องใครเราเขาแกญญาญญายกย้ายถ่ายเทไปอยู่ที่ใครที่มันไอ ต, ตัวเวทนาสัญสงขารวิญญาณตัวที่เป็นหนเขาก็แยกย้ายเหมืันเขาไปอยู่ที่ใหม่รูปอยาบดูไม่ได้เขาไปอยู่กับรูปละเอียดแต่ก็ยังอาศัยรูปอยู่เนะวทนาสัญญาสังารต้องอาศัยรูปอยู่ก็คือรูปละเอียดคือรูปที่มันยึดนั่นแหละแต่ปันยึดอยู่ตรงไงเพราะยังวางได้ทั้ง ทำไมถ้าบอกว่าจิตเพราะหวานันตั้งยังชีวิตอยู่ถก็จะมีรูปอยากอยู่มันวางไม่ได้มันก็อาศัยรูปนั้นแหลเหมือนเราฝันนั่นแหละทาไมฝันที่ตัวเป็นตนเวลาประตูเปิดตานั่นมันอาศัยรูปนั้นอยู่นะเปิดองค์นะนั่นคือองค์แห่งพบองค์แห่งชาที่มันไปข้างหน้าก็แปลว่าอะเมื่อมันไม่มีรูปเรียกว่าจิต ก, ก็ดำเรียกว่าใจจิตมันปรุงใจมันนึกขึ้นมา สภาพของใ จ, จมั น, นึกสภาพของจิตก็มันตรงุงปรุงอะไรขึ้นมาเช่นคำว่ า, าสุดนะมังทีจะออกมาเป็นรูปแต่ว่ารูปนั้นเป็นรูปทางใจใ จ, จนี้คือมโนภาพที่ออกมาคือรูปจะ่อกมาเรียกว่าภาพเราจรึงเรียกว่ามโนภาพภาพทางใจมันจะนึกไปคอยขวายขึ้นมาเหที่เราฝันกลางวันจริงๆแล้วกลางวันเราก็ฝัน ไม่ได้ฝันเฉพาะกลาคืนนะเพราะเกิว่าฝันนั้นเราเห็นในตาหนังตาหนึ่เราก็เลยเข้าใจ ท, ทันทีแต่ตาหนังตาเนื้ใช้ไม่ได้เวลานอนหลับมันก็เหลือแต่ใจคนนั้นใจมันไม่ได้ตายนะใจมันไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ตายก็แปลว่าไม่ต้องไปกลัวตายแต่สิ่งที่ให้กลัวก็คืออะไรอั้ให้กลัวคือ แต่เราอยากเกิดเราไม่ฝังเราไปทําสวนทางกันหมดอ่ะจริงๆแล้วเรากลัวงนเราไปกลัวตายก็คือไม่อยากตายไม่อยากตายแต่อยากเกิดมันแปลกไหมระหว่างสัญญากับปัญญาออสมุทรเกิดแล้วไม่ตายเลยเอาแค่ผู้ที่ช่าของเราเนะ่ะสองพันกว่าปีจะอยู่ยังไงอะร้อยกว่าปีก็เล่นพี่ตัวเองแล้วอะสองพันกว่าปีเกิดอะไรขึ้น เห็มไหมผู้เจาพูดถูกไหมเ อ, อเราไม่ฟังอื่นเราไม่อยากตายแต่อยากเกิดยกับเพราะว่าเราไม่ทําจริงไงเราไม่ทําจริงคือศีลสมาธิปัญญามันเกิดจรมันถึงได้เป็นอย่างนี้เมรุนกกันนี้ถือว่าเป็นกันที่เรียกว่ายอดของธรรมะศสนาเพราะท่านเอาไปขยายผลใน้อีกหลายเรื่องหลายสถานที่หลายบุคคลจริงๆแล้วทีบอกมันเป็นเรื่องเดียวกัน สอนภาษาไทกบทเเรียวกันถมว่าเดีเยวกันเลยภาษาไทบทไม่ได้สอนโดยตรงเลยซ้ไปครูได้จีฆาตกะมาน้องฟังชืรอก็ฟังมันจะเทศน์พระดูฟังภาษาไบทอยู่ข้างหลังพัดผู้เจ้าอยู่ข้างหลังฟังแต่ปฏิทินภาษาไบทฟังนู้นภาษาไทบทเราควรมีปัญญาบุคลากรไม่รูภาษาไทยบนเจราตั้งสิบห้าวันแต่ท่านมุคลากรเจรจาแค่เจ็ดวันทาไม ทำไมท่านมีปัญญาถึงตัดสรูรชาก็เพราะวปัญญาทัานเหรอมันถึงตัดสรูรชาต้นปัญญาไม่คือข้อแตกต่าง น, นะวันนี้เราก็มาได้ยินได้ฟังเริ่มต้นจากหลวงพ่อปัญญาท่านก็บอกว่าปัญญานักนะคุณยินดีนะปัญญาอันนี้เอออย่าไปนเน้นไปสวดมากนะอย่าไปนเน้นเซ็กส์ให้เน้นสอน แต่ที่สำคัญคือการเปอดนั่นคือปฏิบัติคือจริงนี่แหละพจนไทยคือศีลและปัญญามักมีผู้แปลก็เกินนี้หละจะพูดยังไงสี่ร้อยสี่พันสี่หนคืออันนี้ศีลปัญญาถามก็คือนี่คือทําให้เป็นจริงทําให้มีจริงทําให้เกิดจริงมักไม่ไเป็นเรื่องจริงเพราะนปริยัติปฏิบัติปฏิบัติสั้นๆปริยัติคือความจํา ปฏิบัติอยูความจริงปฏิบัติอความจ้องทั้งสามอย่างเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมันไม่สามารถแยขาดต่อกันได้ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอะไรถ้าไม่ปฏิบัติตามความจริงมันไม่ปฏิบัติตามความจํำเราจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติตามความจําความจริงแล้วมันไม่มีควา ม, จ ม, ม, วามแจ้งคือไม่ได้ผลที่เรียกปฏิเัติไดอย่างไรในอันนี้ก็หลักกันปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายในขครั้ง น, นี้มัน ก็ขออภิธานาคุศรัณยเจตนาที่มาร่วมยินในต่างวันนี้หรือว่าซ้อมๆที่ผ่านมาสามเดือนที่ผ่านมาพวกเราก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นมาตลอดต่อเนเชื่องโยงก็ขออภัยขอบคุณพระศีรัษะธนทรัยคุณของคุณเจ้าคุณของประธรรมคุณของปริยส่งจะเป็นเป็นครื่องปกปักรักษาพระเราพึ่งฟองดูแลเราและบุญกุณศรัณยอันนี้จนถึงกับบรรลุมทัพเบืองตอกเราคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีประคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวรทั้งหลายแด้กระทำมาเป็นไอ้ค่ำคืนวันนี้ขออนุโมทนาจะเป็นพ อ, อน